เป็นของที่ถูกปีบคั้นทนอยู่กับที่ไม่ได้ถูกทำลายตัวมันเองอยู่ตลอดจะเป็นของบังคับไม่ได้เป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เรียกว่าเจริญปัญญาอยู่ปัญญาแก่รอบอริยมากก็เกิดเกิดเองนะเราไม่รีบร้อนให้เกิดนะเราคาดหวังเรารีบร้อนนะไม่เกิดหอรอกอ่าลุกดิลูกลนไป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 ถูกทำลายได้ด้วยดินน้ำไฟลมอะไรพวกนี้นํามาทํานะมันเป็นภาพลวงตาไหวตัวขึ้นมาวับเพ่สลายไหวตัววับเพื่อสลายเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงดูง่ายบทธรรมวัช้าหน้าฟังมากเลยเพื่อนาสอนตั้งแต่ขัน5้ามีมีบทหนึ่งนึกออกไหมสอนจําแนกขันหขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป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 อะไรๆก็ถูกรู้ถูกดูตัวเราไม่มีและผู้รู้ผู้ดูล่ะผู้รู้ผู้ดูจิตที่มีสมาธิประกอบด้วยปัญญาเกิดนะโดยไม่ได้ชักชวนะมีองค์ประกอบนลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นมหากรุสุจิตนะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นมหากรุสุจิตนะมีความสุขก็ได้มีอุเบกขาก็ได้แต่จะไม่มีความทุกขนะ์นะั่นจิตผู้รู้เนี่ย